อยยดินหน่ามสิบกิโปรีบสมัยหนึ่งจำศิลป์หาหน้าเกหน้าหายว่าหายวาล่ะคู่กันเป็นเจีงดั่งไฮดัหน้าคู่กันปเงขยคันงเงซอนมวันนีเวลาทาธรรมะวนะ เป็นวันตั้งถ้ำเป็นวันทามาตรศักดาเป็นวันศึกษาถ้ำเป็นวันประโยชนเป็นวันสงบใจสงบนิรัน์วันพระเป็นวันประเสริฐนั่นละ่างกดีอยู่เป็นวันที่เขาขอมาคือแต่วันพระวันศีนเวันต้งเสด็จตั้งถ้ำมัเขอมาวัดมาว่างมา ันภาคหนาอาศซีาคการสร้างทํามแต่บอกาคการสร้างนี่ต้จอกันท่ามคู่ท่ามมันยูกัดไก่กัดใจทางหน้าทือเจ้าหน้าตายแต่งลยมันจตงสิสจากทุกจากไข้ทุกแงไลมันแต่งสีจะงดเย็นให้่เลมีก้นจิตค้นมื่อก้นหน้าก้นสอนกอดห่วงนี่จ้าไม่คิดอะไรไม่จรงอะไรเอาไป อนไรไงคุปนั่งท่านไต่เสือไต่ตามเรื่องไปแล้วเจอจังไหยแล้วมันนี้สีเบญไต่หนอย่างไัวใจที่เย็นหน้ามันเก่าแล้วเบื้องเหตุจันดายไปเอันดามันจังเลยก่ันด้องเหตุให้เย็นหนาย่เด้เขาบอกขาว่าขายเยอะแสดงนะอนไรที่งานไต่เือแข็งงินที่งานเขาเป็นไรแยังเป็นขาขาดผมก็ไ่เห็นนี่คนสีเบญ ทยวนหน้าเขาไม่จะเกิดนะไม่ทำแน่ๆมันก็เล่าเท่านั้นเขาไม่หยั่งมันก็ยิ่งยิ่งเไม่ว่าจะเรื่องตาเรื่องท้องกึมสิเจนี่ยสิว่าสีจ้าก็บึกจากันอย่างอัดเรื่องท่านจะเป็นั่นามาปาฉาคือเหนน้ากันของใจทุกใจอนไดทํานยังใดจึงสืเป็นินเ็นท่านยังใดจึงสืลาสุบท้น เครื่องจิข้าใจได้ศกษาตาลบกันเ๋ยีคนอยู่ก้อนเห็นในการประพฤติปฏิบัติเป็นใจย่างไรเย่๋ยเขาวัดเขาว่าเทากับเขาไปแแย่เขาไม่น่เลยอานี่้นข่างอื่นข้างไกลห่อื่นแต่เพื่อนอื่นเขามถามเห้ใหนีอันใดห่ให้เขาส้างคอนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาดูในวัดในว่ายังฉิมเาวะไ เด็กังเลดนขึ้นด่านใจข้ามีอันใดหลวงสจ้าข้างบอกข้าใ้บ่เหนวอย่เหุนบ่เป็นใจข้าก็เล่นวัี้อันใดที่เราเที่วาบ้างได้นี่ไปถึงเวลาเขาเขาถึงเวลาออกเขาออกยสัมผัสนได้อันใดจังเป็นไปเรื่งมันเสียหายอันใดจตมันขี้โดนจมันเป็นเมื่นหับเป็นเป็นจมืหัวข้าขอรักขอรักสังส่งกันวี้เวลา คิดไปสิกล่าวหนาจะเรื heart, Umwelt, ่องหนึ่งเรื่องที่ปลว่าเรื่องเสือกับเรื่องเท่านั้นถ้าการที่มีจิตใจแน่นนะเห็นไหมหยอกคู่คู่ท่านทำาทำหม้อก้ะสังสยลกตั้งท่านอย่าท่านไม่เกิดขึ้นก็ไม่คิดหัวใจเท่านี้เป็นอย่างไรตั้งตรงนั้นไม่คิดไปไม่ลกไม่ปวดไม่หลงไม่รู้ไม่คดไปใม่ถิ่นไม่ท่านมีใจว่างแน่ในการทำรายกิเลส จีกั a, a t t. Ping, ้งขันม่เตัวยนอกต่กจีกั้งขา้นจากยนด่าอากาศกังขจากธรชาติถูหเลาะเห็เมื่อเรายิ้มก็เข้าตั้งได้หายใจนี่อัดนี่ท่านนี่ตั้งศรัทธาเมื่อนี่กูิวมือไม้มันแห้งมันเหี่ยวมันเหี่ยวพอจำเพิ่ของกิเลสจำหาหรือมันห่างเรื่งหางตายมันกัวผูกกลัวเนีพอกับพ่อ หุ่นจับถึดยทตตาก็มันก็เพื่บเ่าตาประเทศใบฉะนั้นเพื่อไมเรื่องของาม่ชี้เหล็กน่แสดงออกเป็นเสียงนิเสียงแม่ฉนั้นห่างยางเรือ่างานี่ะลัอไรอเสียงนเสียงห่างข้อแม่เสียงของท่านทานนั้นมันเสียงอื่นอื่นเพอนนันเพื่อนนีแต้หแต้หันั้น ตามันมเขานก็ีมันก็อี่อี่กระโดนาดนี้กดบนเขียวกแอแอบกระโดนี่มันยันตายขนาดนี้หเพิ่มนเออบเอบอาบอาบไปตามเรื่องค่นัอ้คือเป็นหอบเพิ่ด้เหอกิเลสจังหาข้างหนามันื่อการเป็นมนุษย์ห้าห้ามันชือแฉแฉะตั้งอะไรจากเขากิเลสชื่อว่าเป็นมนุษย์หาท่างที่มีปิจโเนี่ยศึกสาอย่างอันอย่างช่างมันก็สิบก คิขใจ่เพื่นได้คิดต้นใส่เกิความใจเนี่ยเกิดความเต้นเร่งเรื่องทังคิดท่องใจเรื่อข้อรื่ว่าเป็นมนุษย์นี่อีกอย่างการเสือวะนี่หล่าข่ไข่เสืวะวัวไข่แเพื่อนไายเหมือนเสือเหือนไข่เนี่ยยานตายอยูละ้องเชื่อข้างการเสือถึกต่นอีอี้อยู่นี่นันดีข้างเห็นข้างเห็นเ้นอื่นหมดนี้างเห็นนอื่นลำข้าง เล้นข้ามมีข้างหายตะเยตามาข้ามโดยตรงตั้งร่องพยาบาลโดยตรฮะยานารักษา้หาหมอมดูแลนั่งหาย้ม่ได้มีช้องจิดไข้ข้มันบอนี่มันจมเขไปตามเลื่อนตามแหตามช่องจิดมาด้วบ่อกต้งตัวคือใช้ใจยังซ้อนเหมือนเหลมหลงเสื่อมาหีเหตผลไ่ได้ยางนั่นเหนึ่งเทาจ เาวัดเว่าจังสูนพลัเน่าหาชิดไม่ทันเลยมันเนไปเสีขวือมขวัญเสียนะเสียเป็นเมื่อยแต่เขาว่าแก่ไขจิตใจเอมเสียองนั้นตรงต่อแน่น่ถงท่านพุทธเจ้สอนนอกากนี้ซ่อมแตงบงบงียบมีซ่อมทุกขวัสบายไม่ซ่อมเป็นอยู่บ่ด่านเหวิด่า น, น, น, นตายบ่ด่านาถึงออถด่านอยากด่านลากลข้า นักหนาเขาที hmm. ่แ้น้หลอกลูกเนี่ยของตางๆเนี่ยตางเสดต่างทนเนี่ยเขานิดซื้อเนี่ยการสร้างท่างไม่เสียเองการสร้างเท็จากธรรมชาติจากลารและเบสั้นตาเหวี่ยงกับที่มีที่แจ้งหนาหัวเรื่องกับทีมีที่แจ้งหน้ากาแจกใช้ความใจตัวโดยยังโดมีรันมีเวลา ที่มีวิเศษเป็นได้วันพระวันเกษตรเกษตรย่างไรวันเกษตรคืนเขเคยขาสัตว์ัตวชีวิตเขาค่อยเือค่ยเพิ่อยเนยคยน่น้ำให้น้ำนนนะกานนนน้ำางน้จืห้โดยใครแม่่สงบนเนี้นาซุดอมยิมทายใจทั้งหัาุได้ที่แกแ่ได้ แต่เป็นเรื่องเกษตรเพิ่งใา้พอทุกย่างทุกเวลาก็โดนวันยิ้มันพระเหาอยู่ก็ให้ก็แน่ก็อยู่ก็ล้างก็บังก็เพือการสื่อใจตะง้ง้อเงียบหตาดีใจจะงง้อเงียบีบหรือโอกาสด้วยล่าก็เลยหน่อยด้วล่าโดยชามในวันพคือแตกคำคือหาคำหรือคดคิดตามตนไไกลเล ฉนคิดว่าเป็นมั่นพระคิดว่เป็นั่นบัตรเศษมากกว่าึกยิดซึกใจง่ายใจอาใจท่าถึอนใหนัก็บัตรเศษสิบยึดเศษสก็คิดใจถือเ้ยเสียงคิดแอมตาถือเชยเข่าเชยจาตาถือเชยหูเชยเหงื่อหูถือเชยสร้างหยดหยุดเล็บเล็ดแดงหน่อยเสียงเสีงไตเสียงหูเสีงหัมาขอม่วัดม่ว่ามันจะหเรเชื่ม ไอ้ว่านไจของมันเงียบแห่งนั่นดีแอ่งนันมีความสุขมันจะสิเป็นั่นพระแต่ว่านเกษตรมันรับเห่งเวมี้ะตีปันยาเนี่ยถตัวเลยหอมมากอ่ะขนผูเก่าูบ้างกับนผูกเกลาคิดใจถูกขยไส่จิติดของอันใดกัของเก่าเขามหากับเวละบแท่นบ่อเาบ่อไข่ดูบ้านจะย่างได้ยี่ยัติเป็นยางเนี่ยหนึ่งบ่อใบต้ไล่อันใดท่านห เียวจ้าของคือทีริสไม่หมดไปยังเชิ่มันเกินจริงซีริสเลื่ยนไปเว่าเล่มหายไปออกเวลาเล่าหายใจเขาเข้าเขาแชไปเนี่ยคือต่างคือเรื่องเล่าเป็นงานขั้นรีสิเป็นเป็น่นี่เป็นข่านนี่อันไดต้อับตัวคุณแม่คิดคิดใจไปเสียด้วยนในฝ่ายในใจไข่คิดที่จะแม่หาทาง แอตัวนั่นก็จะคืละัละเสียไดหาม่จงเนี่ยมันม่มีอนไรคิแต่แต่ตั้งแตยืด่งดังแล้วยดตัยังเนี่ควรจควรใไตั้งเนี่ยในทางเศริจก็ยาทางสิดทางใจดีดีเสิดไปได้แต่พอเรื่องขั้อื่นไม่เป็นเือของขั้วอื่นถือว่าท่านบกคิดว่าประเภทปฏิบัต ท้าอาเดยวนเนี่ยเดียนดันก็เกลดฝนหรว่าเกลารลงไมันคิค้นที่จนี่ยสองคนมันจะเป็นข้นหรูอ้นสาระ้นดีข้นยี่เสิ่ดได้ก็คือไปเจาะคนออกเบือกก็เด็นคนออกเบือกตั้กแต่าตคนบืถึงใจระยวเนี่ยมันจะเริ่มยิ่งเสื่ออันใดห ว่าสัญญาสาสามบ่าพิมพิจัหนา่หามกันกายใจเคงตึงิเศรองเทียวโลกวุ่นในชีเลตัญหานาทีต่างๆมีพระองค์คิคนใข่ขุ่นจะใช้เรือยๆวบายวิธีใดจะใช้วิธนี้มีหรือยสอได้ผลไดประโยชน์มากยางไหลท่าวิธีนี้เป็นปลายางไหลพระพุทธเจ้าสอบสืบ ตัวเเขาเอ้งยื้อเรื่อยเขาเองจะดีเยี่เกิดขึ้นได้พวกเขาทั้งหลายแต่ถ้านั่งเยกันเมื่อมันยื้อๆก็สิเกิดน่าเกิดพ้นกุลโกต่องต้องพึ่ปฏิบัติต่องพึ่งัทที่มีที่เจ้าแม่ยิดใจมันจะสีกาวหนายะสเจ้าเล่นเมื่อยังไงเมื่อมีวันมีเวลาสิเปน คือทีผลจากี่เลสปัญหาคือทีประบทุกต้องรับได้นี่แตงแค่ห่างแค่ไหนแค่แฉกแคเขาเท่าก็แม่ว่ามันถืกสะดวกสบายเพื่อนอกูเคยกินเนี่ยมีก็เคยเห็นมาเลยทุกทิ้งทิ้งากถือเคยคบเคยเห็นเคยอย่าน้บบฝาม่แค่คสุดานมันมหอบไอหามมีกอดมีเกลัเอเอาง่าย เท่นั้นเทว้นข่าละขทา้หลเทได้ดอกถยอดล้านเทาพันตาถท่าหเันหกือห้ว่หกระถ่อหก่อผีเาเอาทักเขเอาเหยดจะเป็นประโยชน์ด้วยหก็ได้หิเอาไปินไปหน่ไปแบบสกสบายนใคจะหมน ดูนี่ประโยชน์อันไหอย่างนีอันใดจะบอกดึกใครโดยคิดอย่าคิดมิพิจารณ์แน่หิ้วไหลฮะคุณข่าหาลาข่าเยไป้ย่าถ่ยหิ้วไหลเห็นเหรออันไหนจะบอกเข้าไปจิตคุณใจบอกเขานั่งห้วไหล่างเชนโมก็ลตารที่แจกจได้ตั้งนี้อย้างนี้โดไส่จำน่จิตใจทกัน ยึดไว้เลคล้อง้เลย่อนยื ền, komm, ่นห้งฟังเนดี lap, ๋ยวจะเปนที่แ yeah. ต่เร <go> ื่องของเวาลามกเห็นอาเรีองท่อมถูกจะนี้มไข่ขั้วทีแน่แน่นบกเข่างอขึ้นงอใส่ให่เท่าเท่าได้ังี้บกรับให้พระบังสันก็เท่ยนง่นพลังงานจะเที่ลงตกยไหลหิ้นดียไม่น่กจะลับคุณตกนี้หด นี่จิตใจเส้นห้าคือเรื่งบ่เป็นไจบ่ได้สาระไปเยอแต่อัานก็เท่าแม่งเดียวกันไอไ่ขน้วขั้นเขาพูดไปเจ้าขวจิตใจเขาเปลี่ยนใจขั้วจิตนับถือได้ไหมเลี้ยงหาต้องคิดเนี่ยใบมืดใบมีเหตุผลได้ไหมไข่ขั้วที่มีจิตใจแม่ไอมันทองแท้ไอักมีดเงินในจิในใจเห็นว่าทั้นขั้นสอนขั้นผลมรักฐานแรงามมีเหตุผลก็เล่มือประเภทกรบพี้ต่าก มันจะเกิดขึ้นจากางแต่ท่านบนเพงเ้อนี่นี่ตรแนทีาสนาเหือเพื่อจศาสนาสอนยงไงอาปากองฟองไม่หูจัดเรเพิ่สอนยงไงพเาบเคยเดบเคยตบเคยไข่เคคิดก็เลยตอบว่ได้หนี่ยตอบว่ได้แ่ที่เป็นประโยชน์อะไรละตัวเองกัปฏิบัติว่ได้อีกแต เมื่อรัเปล่งของท่านมันเป็นยางเน่ใจเวลาเปล่งของท่าหรือคือการต้นไข่เวลาหยาดไม่มีเวลาเสีหายค่อยสั่งขึ้นไม่ไหวถับเขาเท่านั้นหรือฮะยกข้าเสียนไม่อหวถับสังเท่านัไม่มีวันสูหายสิดีได้ค้นไข่้เพยินดหาดเวลาหยาดี่จะสดเลียวไปเซงยืนหนึ่ ใจถือเวลาทำาน้าทำเมื่อทำกเจ้าก็ไม่มีวันสิเจริญแข็งตลอดไม่มีวันที่จะจะสงบสุขได้เห็นไหหันหน้ามาพิจารณาศึกษาต่างแนวต่างสาต่อพืชปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องของตัวเถ่าเท่าไม่เป็นเรื่องของคนอื่นเอาเหตยเอาท่านเาไข่เอาคิดเอาพิจารณาหน้ก็เพื่อสิเจใช้กิเลสตั้งแหนให้มันตั้งเศร้าเบาบาง ไม่ิดในใจ้าเห้เหมือนเกอดปัญหามันเบาบางใส่ใจในแต่ละขั้นสบายช่วโลกให้ถี่มันถูกก๊ายายาไปสัมละยาไปสักก็ยาไปแก้ไขโรให้ก็เดาไปเท่ารหลังใจก็มีกำลังลั่งละถึงเท่าไหี่ใจถึงห่อแบทขางนงกเดียวกันหนี้เกิบมีเกิดมีเหลมีเกิดปัญหาหน้าทุกขเท่าไดกานับวาันคือจะให้ทุกแก้ตัวเท่านั้น เป็นเรื่องสำคัญที่เทาจะต้องสอนใจเท่าเทอาทุกใจเท่าเท่าอย่าไปอยนซื้อซือโอกาเวลารด้จัดเต้นท่าเต้นเจ้าเฮาดียังสิจะเป็นเรื่องาำเป็นไหมวัตายเป็นจเป็นทุกคนไหมมันไม่เป็นไรำเป็นปกยู่ใน่รับม่นช่ตายคนยึดม่ได้ไม่ใช่ตายเคงทุกนันจะเป็นเรื่องาำเป็นี่เทาเห็นมันคูอทุกคนที่เทากเจ้ทุกเดอดอุายทีี้บทุกนันจะต้องคัดไล่ ลิบลิบตามเกินตีห้าเป็นทุกเล่นทุกตายไม่มีไรว่านึงทำไงนี่แน่เมื่อทุกอย่างเกิดนม่เราเรื่อีอันใดถึงจะเป็นเรื่อแก้ไขางหยใจเต่าโกไม่งหาใจเลนหยงเล่นงาคว้มดีเล่าเรือน้ได้ไมเ่าเรืองเตรียมอาไว้ได้ไหมขาดุกเป็นแประจันหนาใส่ใจสิไปขวบฮะเกินห้าหอกงว่ท่าน ต้องเหมน้อรถยนต์ใหญ่ทรสบเขาก็ต้องซืกันเท่ากันเมื่อขึ้นกเขาก็ต้องติดต่องซ้อนเมื่อยังถูกเข้านอกเข้าตีตายเขาห่งตายหนีเฮ้าทั้งหลายที่ได้ขึ้นชูเลที่ที่ได้สู้กับขาซื้อแคตูอยู่แล้วไม่มีนุ่งกว่านุ่งเท่าไห่ที่เหลืองควัตายนี่สุด่อกมาถึงเฮ้านี่ มันมาถึงเขาข้ามีืันไหมันรักกับเรื่องความตายอยงี้ยคิอว่าหาใจมันเกิดทุกข์เกิดเนี่ยเกิดลำากลำคแล้วได็กฝึกเดเริ่มใจของเรามีหลอเล้ยเนี่ยเลี้ยหักคอเย็ดเยยนั่เขาล่าสิสื่สื่อหลงสือเย็ดสือเทือสห้อง่หายใจเ่นีรักย็บ ยักษียังเหี้ยเลยหล่อนไปท่้งหลตายไปหล่ยจ็สิบเ็ดเขาด่าไข่ทองไข่แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนีืเป็นเกิดเป็นนิ้เป็นน้าเป็นตาเป็นไตเป็นก็เป็นเกล็ดนี่คือเป็นอกไรโลกใหม่ไม่เป็นย่างไรตกดไปเาง่ายแข่งแข่งเนี่ยนอนก็ตายไปก็นอนใจเลยหรือไงส่งไข่เกล็ดที่มีที่จะว่าแม่หาท้าเนี่ยสอนใจท่องตัว เสียห้าวเสียห้าวเสียเพราะเรื่องเรื่าสวัุบัดเพียงมีพิจารบนี้คนพยายามที่จะสอนตนเ่มีข้นเต็ไใที่อยากจะเบืทุกข์หาตั้งแเรื่องทุกเรื่องไหม่เองเย่งเสียมาเสาเรืองันคนง่หรืคนสลาดหาใส่เขาเสือต่นตลาดเขาเรกว่าเผาแบบนี้ไม่เก็บห่นั เขาจะตรงนี gli, <Pues a> La, za, ้ตางนี้ยเข้ากัมาอกระดับม่ว่าเขาเขาดันเขาเหี่ยวขาวเขานี่เขากายขาเสียวนี่ห้ามไม่ได้สิทธิ์ท่านี้อันไหนสีใจไปขอไปเจอให้เกิดทุกเกิดเถอเกิดกะย้มใจว่าเกิดมองส่เสบายไม่เสวนั่นไม่ได้สิทนี่ไ่ได้เชืมงเป็น่ ไม่ใช่แก้ไบว่าใดข้าห่วงก็ห่วงข้อไหก็ไหนล้อ้างก็ข้างขอเหตใดข้ใจเรนี่อุบ่าวเรนี่ตั้เนี่วับนี้ชาติคว่ำอยู่ถึงจะสอนตนเป็นไงเป็นใจคอรมอัท่านแน่ตัวเองสอนตัวเองเป็นเหี้หิ้ให้สลัมันคือแม่เรื่องใไดเรื่องยิ่งหญ่ปัญหาคือแม่แบบใหญ่ใจจะไป ยึดไปของแม่้อตยรอบเรื่องข้างหนทุกมันจะเกิดขุ่นตากใจมันเกิดขุ่นด้ว่ยวิ่งขี้ใหเราแก้ไขเรื่ยวิธี้ให่ใสจางยิ่งรอดใส่จังปล่อยว่างเห็นทุกเป็นทุกม่เห็นทุกเป็นเห็นเป็นเป็นทุกเป็นไปทุกขั้วกำหนดลูปที่แต่นินีอยู่ ขู temple, it, it, nope, ่ทุกน้อน like ี fire, fire, ้ห้ามขโมยลูเรื่องขโมันี่คือทุกนันก็บอกเป็นผิดเป็นท้ายอันไหนเพราะทุกกัวนี่ว่าทุกเท่ั้นใจ่าเดี๋ยไปยึดไปถือไปก็ไปเชี่ยวเข้ใจชัดเจนเห็นแตจักไม่ถูกสมุท้ายเสื่อนละอันไหสมุท้ายเป็นถือว่าปัญหาท้าฝากเลนนะ ปัญหาคือจัดแต่สามอย่า ง, งตามมาปัญหาคือกล้องทะเยอทะ่านด่าไม่รูปไม่เสียงไม่กลิ่นไม่รสไม่สัมผัสทุกข์ข้อต้องบปชดชดหน้าตามมาปัญหาออกเหนื่นนอย น, นั่งเหนื่ยชงนั่ิ้มจังไม่ว่าคือยิ่งคือเศ้าตามมาปัญหาคืตรงนี้จิตใจจิตใจเค่งตัว เมื้เกิดจะแม่เกิดจะแม่จากก่อนคล้องตามเป็นยีเดชเรื่องข้องตามยีเดชจะตามจะเป็นคองแรงก้าที่เล่าจากกองเสนาพระสางเรื่องคลองยีเดชจะตามเดชที่เจ้าแม่อัตทัณยางอันนี้จังความ้อต่้งหนึ่งท้าว่าโ้งเทนเย็นย่องเกิดาแล้กต่เป้น แตกสลายนี 13, ่เนี่ยดที hmm. mm ่จะไมหายใจดูเห็นตามเป็นจริงนี่ั่นจะคอยละคอยวางคอยคยเรื่องทองตามไปตามมาตามหาเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่องสําละภาษาออกจากใจ้าใจไปคิตไปของเท่าไหเนยั่คว่มทุกข์ั่ไห้เท่านั้นเป็นเตตา มาตตมตโตียอะต่เคนตัล็กเนี่ยแมีขั้โตมีความทุกข์เป็นไพ่ก็จิ ต, ตใจเคร่งตนหลังที่เจ้าแม่ที่ใจให้ละเลี่ยงการ ม, มาปัญหาออกจากใจที่เจ้าแมด้านอันดีจังถูกขังตถูกที่เจแม่อาซ้าอซืข้างถูกอุบายอันใดที่จะสอนใจทครงตนให้ละ จากความคิดของหยิบถืได้มันพินิจโดยง่าขโไปในใจมันถอดมันถอนให้มนละมันละมันได้ใจโดยมีโดยเรื่องของการมกรมโดยมีดยเรื่องงใจมันระสบายเราออกจากการมมาปัญหาคะัญหาความคิดไม่พบไม่จมันแต่นี ยังใมันปิดไปแทเปิดไม่พบไม่ขาด้ม่อยากรมอยากตายเม่อยากไทยดกแกไม่อยากไปเกิดเป็นอันใดแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่คือกลิดกลปิดไม่ละตัญหาในมือบอกว่าอย่างนั้ิดหายไปความเป็นไปเส้นไปทุกควในมือแ่ที่ใจที่แกนะจำละเนี่ย พปัญหาออกจากใจนี่พลาปัญหาภายอกทั่วไปพลาปัญหาภายในยึดใจี่เจ็บของยึดจใดจถึงย็ดถือในข้อสงบคล้องใจในข่อละเอียดคล่องใจในข้อบา้านคล่องใจนี่ก็เป็นการเป็นขบอนันนี้ยึดใจถบงยึดของดูนี่ก็จะต้องถอดถ อ, ถอทนทิ้งทิจเจ้ามหายทางธรรมละแ ถ่านนั้นนิงซ่อนาบั่นนิ่ดีนั่นเสพเพื่อนนั่นซ่อนเติมเพื่นนั่นคือแต่จีบัอาจท่ามละเอียดอาจปิดได้ไม่นซ่อเติมใสเพื่อนใจเพื่อบอกให้แต่พบไมาเห็นยาความเข้มพบดีนั่นดีนั่ีเสดแต่จะจีบได้นหมเห็นยาความละเอียดเพื่อนใสไ่มละเอียดไรได้ใจได้ปิดได้หันมันก็เรียกภาวะปัญหา ก้อน่างเข้งใจมาตามมาเวล่าพี่ยายแม่ตลอแล้องโต๊ะว่าคินพี่ยายแม่ลูกเพื่อไปมันมันมีอะไรมีความหมายมันย่างไปหมดว่างย่างไนว่างคึกลุกมาเมื่มันจะต้องเป็นอนิจจังทุกครั้งนะตาเพื่อการม่นมีอะไรคีอจะเลียหรอจากที่เรานีไปตลอดเพ่งตายทพงเล่าจะตั้งคุณนมาแล่จะแป้เพน แต่คลายถ้าเน่าเดียวกันนั่จ่เกิดขึ้นไม่ใจกว่า้าน่าเดียวกันเยอะเกิดยังเยอะเกิดยังเวืาวาถ้าทน่เวลาสั้นากเวลาั้งขานมัวริ้นยากนี่ประเภทถ้าน่าเดียวกันกับเรื่องของอยาเรื่องวัตถุเรื่องของตายเมื่อพี่เน่าพื่อวเรายิ่เถื่อถึงใจใจมันจะต้องเบียร์มาใจมักระต้อออกจากสึ่งไรายิ้ เปนเื่องเลาเรื่องยาได้ตกความยากของจิตเม่ตกความยากบังทางบางเองบางผู้บางคนบังอาสามเพต่ว่าคิดบ้างเป็นมีควาคิดนั่นคืิดไมว่ายิ่งอยู่เรื่องว่าน่งไ้วาค่บเคยต่เพืปฏิบัติบเยเห็นใจหิวก็เคยใจว่าเป็นบาถูอแม่นแม่แผ่นดันยาง นันก็สบายนั่นก็เป็นนิพพานไม่ไี้อย่างไรนั่นก็เกี่ยวนัหนค่ามยหลโยงความไม่หอกครอบความศึกษาบ่ถึงปฏิบัติบ่พ่อหากพูดไปพี่ปฏิบัติที่เหนเป็นไปหรอท่านไม่ได้ถือบ่ได้ยึไม่หยงขมบ้างอันนั้นไ่ได้งานไ้ละข้มบ้างเป็นนิพพานเพราะมันค่จะบในการปฏิบัตินี่ มั็นจอมบอยหลงเงี้ยนี่แหละในเฟรเนี่ยอล่าพบพละปัญหาความยินดีต้อมเป็นใจไม่ซ่อมเปลี่ยนต้องตัวเป็นที่ว่ภาวะปัญหาที่ภาวะปัญหาที่อันไดนทื่จริงที่ไม่อยากไดม่อยากนี่ที่จริงได้ได้ไม้อยานี่ที่อันไห แช่แตดยดได้แต ah ่เม ah ืทกข่ำน ah ักคมากข้า ah ่งแได้แต่เมืท่านัเกิดแม่ทห้แช่ไม่พอนได้ไม่แช่ได้ไหม่เจ็บได้ไหมไม่ตายโดยัได้ไหมแช่ไหมเสียหแช่ทั้งสท่าน่โยดัได้ไหมเป็นเหตุวรีพราปัณหาคว่ำโดกอนี้เกิดทุก เพาเหวี่ไปเพราะไปเพราะมันไหนอย่งนี <Yep. S 3> ้ยไม่อยากไมนาจะพบพบเที่นี่นั <because> ่นน่น่จะเกิดทุกข์ห้อยากให้มันรับไปมันจะไม่รับไปสัไม่อยากให้เกิดสิ่งนันเก็เกิดสิ่ั้นน่าจะเกิดทุกข์นี่คนจ้าเหยื่อเรื่องเราเนี่ยทเจหน้าหี้ยน่เห็นตามปนสิ่ง่นั่นยาช้าผู้ต่างแน่นะครับเปนน้นันเนนี้ยนี่ยังไงเรื่องเห้ยเ็นตามเนสินงยังง เนีย่ยเห็นตามนะตัวกิ่งดังเนะี่ยดใจคัดจีนเราเนี่ยต้องเป็นคนละอันเลยงมันไม่ได้ยึดก็โยกันคนใจถือว่าเนมีโลกคือสงอบโยทเบียร์คือยึงอดงจากเรื่องปัญหาทั้งสามรับทุกชนิดทุกไม่คิดไม่ใสที่จะไปรั้นไหน้คัดของที่จะไปยึดถือเมืองมีวื่งบางตา เรื่องของทุกเรื่องของสมเทัาคือตัณหาทั้งสามขอปฏิบัติที่จะให้คิดใจรืงเห็นจันจัดที่เรื่องัณหาได้เพื่อจะสอนว่ามากทั้งนั่นั่งใคือมีโรคคือความผทุกสามารถที่ให้เห็นชอบสามารถสังกับตัวให้ดำริที่ให้คิชอบความเห็น ตนใจอางที่คิแต่ไม่ทงชอบอีำแม่วาจ๋าไม่เลวเจ้าเล่าจ๋าแต่ไม่ทังคือชอบจำแน่จำแม่โตท่านจำแม่ชอบช่วยตามแม่ปฏิบัติท่านแม่จะหใจตัวกนจากทุบจากสมุทัยหไปถึงยืนหดี้สุดก้องจับจะนะของอับท่านของกบข้าจบยังง อย่าตามงพซอกเล่นจงกลมภาวนาสำหรับกิเลสตัญหาคุณจิตใจน่ะแจกนนะเจกไนะ า, า, ายยึดใจถีอควองคิด